ที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยถึงที่สุดเวลาออกไปทํางานอะไรที่มันที่สุดที่สุดเราก็ไม่กลัวเพราะเราเคยเจอมาแล้วในช่วงปฏิบัตินะนั้นพระวิปัสสนาจริงๆทางานได้มากกว่าคนธรรมดาเพราะท่านไปถึงจุดของสุดๆของอเรียกว่าของทุกอะอะไรที่ว่าไปทํางานอะไรที่ว่าทุกคนนั้นไม่มีละเรื่องทํางานเนี่ยเป็นเรื่องจิบจอยมากๆเรื่องเล็กน้อยเพราะว่า เวลาเราช่วงที่เราปฏิบัติเราบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ในช่วงปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่ค่อยจริงจังไม่เอาจริงเอาจังเวลาไปทํางานก็อ่อนแอไปพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะว่าในช่วงปฏิบัติไม่ไม่ได้ฝึกให้มันเต็มที่อืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วัดความสามารถด้านนั้นดังนั้นเองเวลาปฏิบัติที่เราปฏิบัติมันได้ใช้ความสามารถทุกด้าน ใช้ศรัทธาพิสูจนศรัทธาว่าเรามีเท่าไหร่จริงๆศรัทธาเราถูกหรือเราผิดความเพียรเรามีเท่าไหร่ความเพียรถูกหรือเพียรผิดใช้เต็มที่เล้วที่มีอยู่เนี่ยนั่งสามชั่วโมงห้าชั่วโมงดูแล้วเป็นยังไงมันออกมาหมดแหละกิเลสทุกตัวมันร้อนเล่าอาตาปีความเพียรเผากิเลสนี้เรานั่งนานๆทํำนานๆเพื่อจะได้เห็นตัวกิเลส แล้กิเลสไม่ออกมามันก็จัดการมันไม่ได้มันก็ล่อเสือออกจากถ้ำนะถ้าเสือไม่ออกจากถ้ำเราจะ อ, าอะไรมาฆ่ามันเพรา ะ, ะนั้นไอ้ความเพียรที่เราทํานี่คือตัวนี้เป็นเหยื่อล่อให้กิเลสทุกตัวมันออกมาดูออกมาให้หมดออกมากาจัดมันไปเรื่อยๆถ้าคนไหนความเพียรไม่เต็มที่ไม่เคยนั่งทีละสามชั่วโมงห้าชั่วโมงอ่ะไม่มีทางที่จะเห็นมันหรอกไอ้ตัวกิเลสตัวละเอียดมันลึกๆไม่ออกมาแต่ตอนที่เราทํา จริงังมันออกมาให้เห็นหมดเราจะข้ า, ม, ามันได้มาได้ในอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ขอให้เห็นหน้าเห็นตาให้หมดกันแล้วกันนะดังนั้นการที่โยมเห็นพระปฏิบัติเข้มแข็งปฏิบัติได้ถูกต้องโยมก็มีความหวังว่า อ, อจะได้พึ่งสติปัญญาพึ่งความเพียรของท่านบ้างนะแต่พระของเราที่ปฏิบัติจะไม่เข้มแข็งโยมก็หวั่นไหวเหมือนกันนะี่ไม่สามารถจะพึ่งท่านได้อะอันนี้คือส่วนหนึ่ง ที่เราจะต้องช่วยกันปฏิบัติเพื่อพึ่งตัวเองไม่ต้องหวังพึ่งใครนะเราก็ใช้ความสามารถเต็มที่ของเราแหละที่เมืองไทยมามีโยมหลายคนช่วยทำงานได้เข้มแข็งทำงานทั้งปียิ่งยิ่งกว่าพระนะแต่ว่าก็เวลาเขาทำความเพ ข, ขาทำจริงๆนะเรียกว่าเก็บอารมณ์กันเป็นครั้งละเดือนสองเดือนทีเดียว ซึ่งมันได้เห็นอะไรสุดๆของมันแล้วมันก็พอไปเจออุปสรรคปัญหาแบบข้างหน้าหนักแบบไหนก็ไม่กลัวแล้วเพราะมันเจอสุดๆมาแล้วนะอันนั้นในช่วงเย็นวันนี้ลองฟังพระอาจารย์เชยันดูว่าท่านได้ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วว่าได้คิดอะไรเพราะเชิญมุนข้างนานขอพระเทลราชเถละแล้วก็ขอเจริญพรญาติโ ย, ยมสาธุชนทุกท่าน อาตมาก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบกับญาติโยมที่ในมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มีญาติโยมที่หลายคนก็ปฏิบัติมาแล้วมีประสบการณ์ในการทําการกรรมฐานมาเยอะนานบางคนก็ทําสมาธนานบางคนก็เจริญวิปัสสนาก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้เจอกับเพื่อนที่เป็นผู้สแสวงหาเหมือนกัน ตัวอาจารย์เองก็เป็นจัดว่าเป็นผู้สแสวงหาครูบาอาจารย์สแสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วก็พยายามที่จะตั้งใจมั่นที่จะอยู่ในเส้นทางที่จะไปอยู่ในกระแสนิพพานเหมือนอย่างพวกเราทุกคนดังนั้นจึงได้สแสวงหาครูบาอาจารย์อย่างไม่มีจบสิน้นมาเจอที่ปฏิบัติ ด, ดีก็ไปศึกษาแล้วก็เรียนกับเขาไปเรื่อยโอกาสที่อาจารย์ได้ไปเรียนกับ หลวงพ่อจารันตั้งแต่บวชมานะครับก็ศึกษาแบบยุบหนอพองหนอมาหลังจากนั้นก็มาเจออาจารย์ดังอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์พันเตยกุลรัตนะซึ่งเป็นอาจารย์เป็นประธานสงฆ์ของประเทศศรีลังกาท่านอยู่ที่รัสเซียการสอนของท่านก็เน้นไปให้เป็นในทางพระไตรปิฎกเป็นส่วนใหญ่เพื่อที่จะให้ยึดถือแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราไม่ได้หลุดออกไปจากวงจรที่เรา ปรารถนาแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็มาเจอหลวงพ่อดิเรกเมื่อประมาณสองปีซึ่งก่อนที่จะได้เจอกันอาจารย์ก็ไปเข้ากรรมฐ า, านอยู่สองเดือนเต็มซึ่งตอนนั้นก็ได้ตั้งสัจจะไว้ว่ า, าจะนอนหลับแค่ตื่นเดียวแล้วก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมทีนี้ปรากฏว่าแรงอธิษฐานมาแรงมากเพราะว่า เมือ่อผ้าตั้งตั้งใจจะเข้าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยได้ตั้งสัจจะเอาไว้เมื่อตั้งสัจจะอย่างไรต้องทําอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องสัจจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการปฏิบททัติธรรมแต่ในคราวนั้นพอตั้งสัจจะเสร็จปั๊บนอนหลับตื่นเดียวมันแค่สินาทีต้องรีบลุกขึ้นมาทันทีแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นการได้นอนน้อยในระยะเวลาสองเดือนแล้วก็มาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อก็อชวนมาปฏิบัติอย่างนี้เลยอาจารย์ไม่ได้นอนมาก็เกือบสองเดือนเนี่ยปฏิบัติรุยรวรรยอย่างนี้ พราะนั้นเจอหน้ากันคุยกันไม่รู้เรื่องสมองมันเบลอเพรนั้นก็เลยเด็กคุยกันแค่วันเดียวกันแล้วก็กลับไปพักผ่อนหลังจากนั้นวันสุดท้ายท่านจะปิดรายการก็มาเจอกันอีกซึ่งครั้งแรกที่เจอกับหลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรหรอกก็ในที่สุดก็นัดกันตามหลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลาช่วงเข้าพรรษาเช่งต่อจากนั้นก็ไม่นานก็มาเข้าพรรษากับหลวงพ่ออปรากฏว่าไอ้ตอนที่ช่วงเข้าพรรษาก็ได้ติดตามหลวงพ่อไปปฏิบัติแบบนี้แหละ ดูพวกเราปฏิบัติดูท่านสอนใช่ไหมก็ได้เรียนแบบเดียวกันปฏิบัติแบบเดียวกันก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆซึ่งก็ได้มองเห็นความแตกต่างในการปฏิบัติในแต่ละสํานักซึ่งการแบบพองน้อยุบนอก็ดีการแบบที่เจริญสติโดยการดูลมหายใจตามแนวพระไตรปิฎกซึ่งตัวพันเตคุณรัตตนาะในจักเก็ง เรื่องฌานมากท่านทําปริญญาเอกท่านทําวิจัยเรื่องฌานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกดังนั้นในการสอนของท่านก็จะมาเน้นว่าไอ้ฌานจริงๆที่มันเขียนไว้ในพระไตรปิฎกนะครับทำยังไงที่พระสอนทั่วไปสอนสอนกันยังไงซึ่งท่านก็จะเน้นว่าให้มีความรู้สึกตัวก่อนขณะที่อยู่ในฌานไม่ว่าจะเป็นฌานหนึ่งสองสามสี่มีความรู้สึกตัวอย่างชัดเจนมากดฉะนั้นในการเรื่องการทําฌานของท่าน หรือเรามาศึกษาในการทำเจริญสติของเราถ้าเราไม่เข้าใจตรงจุดนี้ปั๊บเราก็จะเข้าใจเขเวผิดไปหมดเลยนัน้นในที่นี้ในขณะที่อาจารย์อยู่กับหลวงพ่อพันเตกุลรัตนะท่านก็จะให้สวดบทที่สำคัญสำคัญหลายบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักมีองค์แปดสวดแทบทุกวันในมักมีองค์แปดซึ่งในนั้นก็จะบอกว่า หลักหัวใจสําคัญสําคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ซึ่งในนี้ก็มีไอตรงที่สําคัญเลยนะคือสัมมาสมาธิสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิเป็นอย่างไรซึ่งตัวที่จะเข้ามาถึงตรงนั้นได้คือก่อนที่จะเข้าสัมมาสมาธิปับ๊บมันจะต้องได้สัมมาสติก่อนแล้วถึงจะไปสัมมาสมาธิซึ่งเหมือนกับที่พวกเรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันอาจารย์พยายามรวบรวมจากข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเอามาประยุกต์ใช้กัน แล้วก็มาเช็คดู ว, ว่าสิ่งที่เรากำลังทําเนี่ยเดินถูกทางหรือไม่เดินตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นพอมาพูดถึงสัมมาสติมันก็คือจะต้องมีสติไปในกายในเวทนาในจิตและในธรรมสี่องค์ให้ได้ครบทั้งสี่อย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมไปในกายก่อนอย่างที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเรามีสติไปในกายจากกายเข้ามาปั๊บมองเห็นกายขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็มองเห็นจิตของเรา เป็นนั้นจากกายก็มาเห็นจิตจิตมันมีสามส่วนแตกออกไปเป็นเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นอีกองคหนึ่งนะก็มองกายเห็นจิตมองกายเห็นจิตเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงเน้นว่าขณะที่เรากําลังยกมือทุกครั้งมองเห็นมองเห็นจิตที่มันอยู่กับกายไหมกายไหวเห็นจิตไหมถ้ายังไม่เห็นแสดงว่าเราเราทำอะไรผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างหลายคนทํามาตั้งนานแล้วไม่เห็นไอ้ตรงนี้จึงเป็นจุดสําคัญ ถ้าสิ่งที่เรากำลังทำคือฝึกสัมมาสติสัมมาสติคือมีสติไปในกายดูกายใช่ไหมจะดูกายโดยวิธีไหนก็ได้ดูละเอียดดูหยาบแต่เพื่อให้มองเห็นกายภายในกายภายนอกเหมือนกันเพราะในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวอย่างนี้กายมันไหวดูกายไปเรื่อยเพื่อเอากายเป็นฐานแต่สรุปมาง่ายๆหลังจากกายก็ามาเห็นจิตหลังจากจิตก็จะมาเห็นธรรมนะ เห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็เห็นธรรมอันนี้เป็นตัวสัมมาสติพอมาถึงสัมมาสมาธิขึ้นมาแป๊บก่อนที่เราจะเข้ามาถึงสมมาสมาธิได้เนี่ยมันมีองค์อยู่สามอย่างที่ถ้าเราอ่านในนี้เราจะเจอเจอยังไงข้อที่หนึ่งที่เราจะต้องใช้ในการแทรเข้ามาในคำสัมมาสมาธินั่นก็คือตัวความเพียรซึ่งในนี้จะใช้คาว่าอาตาปีความเพียรจะต้องติดอยู่กับเรา เพราะนั้นคนไหนที่ขาดความเพียรคนไหนที่ขาดขา ด, ขาดความมุ่งมั่นคนไหนที่ขาดความต่อเนื่องไอ้ตรงนี้มันเราก็ถ้ากับเราขาดอาวุธสําคัญที่จะเอาเข้ามาใช้ในการปฏิบัติธรรมได้นอกจากความเพียรแล้วก็ให้มีสัมปะชัญญะือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆตั้งแต่วันแรกที่เราพูดเลย มีความเพียรมีสัมปะชัญญาคือมีความรู้สึกตัวเออนี้เรากําลังหาอยู่ในขณะ น, นี้ที่เรากําลังพริกมืออยู่เนี่ยเราหาตัวสัมปะชัญญาหาตัวความรู้สึกตัวอยู่หาเจอหรือยังหรือบางทียกมือสักแต่ว่ายกมือขยับมือสักแต่ว่าขยับมือขณะเออเรากำลัลงเดินก็สักแต่ว่าเราเดินแต่หาความรู้สึกตัวตรงนี้ยังไม่เจอเพราะฉะนั้นเคล็ับที่สําคัญตรงนี้คืออันนี้หนึ่งคือมีความเพียรอันนี้สองคือมีสัมปะชัญญาสัมปะชัญญะตรงนี้คือ การรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องมันก็น่าแปลกนะที่เราอ่านในสติปัฏฐานสี่มาทั้งหมดขณะที่เราปฏิบัติทําไปอ่านสติปัฏฐานสี่ไปเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นขอให้สังเกต ด, ดูในการพิจารณาพิจารณากายในกายพิจารณามีตั้งหลายขั้นนะ่ะแต่ในบรรดากายในกายทั้งหมดสิ่งที่จะต้องเอามาใช้มากที่สุดกับกายเป็นเรื่องความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่อง นั่นคือปฏิไออในบทที่เป็นสัมปชัญญะบัพกลายเป็นบทที่สําคัญที่สุดหลังจากที่ได้ศึกษามาจากหลายๆวิธีลองทํามาหลายๆวิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามส่วนมากถ้าข้ามบทสัมปชัญญะบัพขึ้นมาปับ๊บมันพลาดยกตัวอย่างเช่นคนบางคนขณะที่กําลังปฏิบัติธรรมอยู่มองเห็นภาพโครงกระดูกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะปลดตรงนี้ออกไปได้หรือบางคนชอบนั่งสมาธินิ่ง ดับไปเลยจิตดับไปเลยขายความรู้สึกตัวซึ่งตรงนั้นมันเป็นจุดที่ดิงก็ไปจุดใดจุดหนึ่งแต่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากที่ทำตรงนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมซึ่งอาจารย์พูดไอหัวใจสาคัญสามข้อนี่เพิ่งข้อที่สองเองคือตัวสัมปะชัญญะเป็นหัวใจที่จะต้องเอาไปใช้ในการเข้าสู่สัมมาสมาธินอกจากสัมปชัญญะแล้วตัวสุดท้ายก็คือ ให้มีสติเห็นนะอาวุธสําคัญที่จะใช้ในการปฏิบัติธรรมในการทําสัมมาสมาธิก็คือจะต้องอันที่หนึ่งมีความเพียรอันที่สองมีสัมปชัญญะอันที่สามคือมีสติพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆคือมีความอดทนทำแล้วมีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีสติในการทํางานในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเอาสามอย่างนี้ใช้เป็นกุญแจสําคัญกลายเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะเอาเข้าสู่ในสัมมาสมาธิฉะนั้น สิ่งที่อาจารย์มีความภาคภูมิใจที่ได้มาเจอหลวงพ่อดิเลตที่ได้นําแนวของหลวงพ่อเทียนมาทําหลวงพ่อเทียนยกเอาเรื่องของสัมปชัญญะบาปมาเป็นหัวใจในการปฏิบัติคําว่าสัมปชัญญะบาปถามว่าจะต้อง ท, ำทํำเฉยๆทื่อๆไหมอาจารย์อยู่กับสายพองหนอมานานทําแบบพองหนอมานานเวลาเดินตอนปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเดินแบบช้าๆช้าเหมือนซอมบี้นึกออกไหมฮะเวลาทํา คนเห็นปั๊บรู้เลยว่าคนนี้กําลังปฏิบัติธรรมอยู่เดินช้ามากเลยเสร็จแล้วบางคนที่หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จกลับมาถึงบ้านปั๊บกินข้าวก็กินช้าชคนที่อยู่ในบ้านเขาก็มองเอ๊ะคนนี้ปกติดีอยู่หรือเปล่าทํำไมก่อนก่อนไปปฏิบัติธรรมเขาเป็นคนปกติดีแต่ทําไมกลับมาถึงเหมือนกับซอมบี้เลยยกข้าวช้าๆกว่าจะมาถึงปากกว่าจะอ้าปากมันเป็นการเป็นปกติไปซึ่งตรงนั้นเป็นการกระทําที่มันแข็งมันเป็นการเป็นปกติซึ่งมันต่างจากที่เราทําตรงนี้แต่หลังจาก ในในในสำนักของหลวงพ่อจารันท่านก็สอนว่าไอ้ที่เราทำชา้าชนะ้าน่ะเพื่อให้รู้สึกตัวเพื่อให้รู้สึกตัวแล้วเรามาทำชีวิตให้มันเป็นปกติเดินให้มันเป็นปกติกินให้เป็นปกติแต่เอาความรู้สึกตัวจากที่เราจับได้ตรงนั้นเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราซึ่งตรงนี้คือแนวแนวที่หลวงพ่อเทียนกําลังสอนอยู่ทําชีวิตที่เป็นปกติเดินจงกรมเดินเป็นปกติยกมือก็ยกมือก ป, ปกติแต่ตอนแรกที่ยังไม่หามองไม่สามารถมองเห็นความรู้สึกได้ ก็มองมองช้าๆก่อนมองเห็นความรู้สึกไหมทุกครั้งที่พลิกมือจับความรู้สึกได้ไหมจะเห็นว่าไอ้ตรงขณะที่รูปมันกําลังขยับอ่ะนามันอยู um ่ด้วยอยู่กับรูปนั่นแหละขณะที่ยกมือขึ้นมือมันยกมือเห็นว่าไอ้ตัวไอ้รูปมันยกขึ้นแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ความรู้สึกมันตามมันด้วยความรู้สึกมันอยู่ที่มือไม่ใช่มือรู้สึกนะแต่จิตเราเปรู้สึกรู้สึกตรงไหนรู้สึกตรงที่มือเห็นะะจากความรู้สึกตรงเนี้ยเราเป็นการสังเกตอาการ จับความรู้สึกจนกระทั่งสังเกตอาการความแตกต่างเล็กๆน้อยๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จากยกมือธรรมดาเอามาใช้ดูลมหายใจเอามาใช้ดูปากเอามาใช้ดูการกระทําในปัจจุบันเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตจริงในการปฏิบัติธรรมเอาตัวรูปตัวนามที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนี่แหละเอามาใช้ในชีวิตจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราทําเรากําลังทําอยู่อาจารย์ก็ทําอยู่ พยศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เมื่อเรามองเห็นความรู้สึกตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าสู่สัมมาสมาธิได้อย่างชัดเจนเรามาไล่ดูองค์ฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งใช่ไหมก่อนที่จะทำสัมมาสมาธิได้ อ, องค์ฌานจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องอยงยากๆแต่จริงๆแล้วองค์ฌานมันอยู่ในสภาวะที่จิตเราเป็นปกติอยู่ในสภาวะที่เราลืมตาได้เราสามารถทําอะไรได้ในชีวิตประจําวันได้ถ้าเราเข้าใจตรงนั้น องค์ที่จะพาเราเข้าไปสู่ในสภาวะสมาสมาธิที่หนึ่งจำได้ไห้สามข้อข้อที่หนึ่งมีความเพียรอันที่สองมีความรู้สึกตัวอันที่สามมีสติแล้วเมื่อมีสามตัวแล้วเสร็จแล้วจิตใจเราจะเริ่มมองเห็นชัดเมื่อความรู้สึกตัวชัดเจนขึ้นจะมีออกมาเป็นสี่ระดับอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อความรู้สึกตัวชัดเจนขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นมาเป็นปัญญา ปัญญารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยจากความรู้สึกตัวธรรมดาธรรมดามันกลายเป็นปัญญารู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่อย่างอาจารย์ขอสรุปตามแนวมุมมองที่อาจารย์เข้าใจอย่างที่หนึ่งรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่คือปัญญารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ยกมือทาไมมันได้ประโยชน์อะไรมันได้สติ ยกแล้วมันได้สติมันได้ความรู้สึกตัวข้อที่หนึ่งรู้ว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ระหว่างที่เรากําลังจะยกมือกับที่เรากําลังจะทําอย่างอื่นบางคนกําลังคุยอยู่ชอบคุยเจอหน้ากันปั๊บจะต้องคุยจะจ๊เจอหน้าคนนี้จะต้องมีการทักทายกันถามว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในขณะปัจจุบันนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ปัญญาตรงนี้เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันความรู้สึก ต, ตัวตรงนี้เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน เราไม่ได้เอาความรู้สึกตัวมาใช้ที่มืออย่างเดียวแต่ในขณะที่เรากําลังขยับปากปับ๊บเอาความรู้สึกตัวตรงนี้มันตามมาหาเราที่ปากด้วยเรารู้สึกตัวว่าปากเรากําลังขยับเรารู้สึกตัวว่าตอนนี้เรากําลังจะพูดแล้วเราก็จะรู้ต่อไปอีกว่าอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เรากําลังพูดเนี่ยเพอเจอร์หรือเปล่ามันก็กลายเป็นความรู้สึกตัวในระดับสองปัญญาในระดับสองว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชนะ์เนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะพูดไหม เหมาะสมที่มันคําพูดต่อไปนี้ยมันจะไปเดือดร้อนกับใครไหมหรือคําพูดอันนี้มันสร้างสารรคอะไรไหมเห็นนะปัญญามันชัดเจนขึ้นมันรู้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์รู้ว่าเหมาะสมรู้ไม่เหมาะสมอย่างที่สามปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาชัดเจนขึ้นคือเรารู้ว่าไอ้เขาเรียกว่าไอ้โคจราสัมปะชัญญะก็คือรู้จักเลือกอารมณ์บางครั้งเราจมอยู่ในอารมณ์ใดนานเกินไปอย่างเช่นบางคนเป็นโรคเหงาเศร้าซึม คือเ้าจมอยู่ในอารมณ์ความเศร้ซึมพอเจอเห็นท้องฟ้าก็มีความรู้สึกเศร้าขึ้นมาได้ยินเสียงเพลงก็มีความรู้สึกเศร้าขึ้นมาหรือบางทีเห็นหน้าใครคนหนึ่งก็หัวระลึกนึกถึงไปถึงคนที่เราเคยรักเคยชังในอดีตกลับไปนึกถึงในอดีตในชีวิตของเราจมปักอยู่กับอดีตหรือไม่งั้นก็เพ้อเจอยู่กับสิ่งที่กําลังยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเรียกว่าจิตของเรากําลังจมปักอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง แต่คนที่มีปัญญาจากการที่เราฝึกสึกฝึกสติตัวอตัวความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยจะมองเห็นโครจร ส, สัมปัชัญญะใช้โครจรั ส, สัมปัชัญญะคือเลือกอารมณ์เป็นว่าต่อไปนี้เราจะแทนที่เราจะไปดึงอยู่กับอารมณ์ในอดีตหรือในอนาคตเราดึงมาหาอารมณ์ปัจจุบันนึกออกไว้นี่คือโจโคจรั ส, สัมปัชัญญะ น, นะเราเลือกอารมณ์ของเราได้อันสุดท้ายก็คือ อาสามโมหะสามปัจัญญาก็คือการหลงอารมณ์เพราะนั้นการไม่หลงในอารมณ์กับการเลือกอารมณ์มันจึงใช้คู่กันบรรดาสัมปัจฉัญญะทั้งสี่จึงใช้ร่วมกันแต่คนที่มีความรู้สึกตัวและจะมองเห็นตรงนี้อย่างชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ตัวสัมปัจฉัญญาตรงนี้เองมันโตขึ้นมามันพัฒนาขึ้นมากลายเป็นตัวที่สามารถแยกแยะสภาวะ ที่เกิดขึ้นในกับจิตของเราได้เพราะความรู้สึกตัวรู้เห็นอาการที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตใจของเร า, เาความรู้สึกตัวตรงนี้จะทำให้เราแยกแยะว่าขณะนี้อารมณ์ของเราในจิตของเราเนี่ยเราจมอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลอาจารย์ถามพวกเราหน่อยนะอาการง่วงนอนซึมซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล อ่ราะฉะนั้นเวลาอาการง่วงนอนเข้ามาปั๊บเรารู้ตัวไหมรู้อ่าเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มมีสัมปะชัญญะเริ่มมีความรู้สึกตัวในขณะที่เราปฏิบัติทําแบบอื่นๆตอนสมัยที่เราเคยเคยเคยทุกคน ค, คงเคยชินเรานั่งสมาธิแบบรับตา ม, มันนานถ้าเรานั่งอย่างต่อนเนื่องกันหนึ่งชั่วโมงนะแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงซึ่งใ น, ในการปฏิบัติธรรมที่อาจารย์เคยฝึกมาช่วงเช้าก็จะเป็นหนึ่งเพลียด แล้วนั่งยืนเดินนั่งนอนนะตอนหลังจากฉันเช้ามาก็ปฏิบัติธ ร, รรมจนถึงฉันเพลนนี่ก็อีกหนึ่งพิเลตเดินมั่งนั่งมั่งนะหลังจากฉันเพลนพักผ่อนสักหน่อยแล้วกลับมาปฏิบฏัติธรรมจนถึงทำวัดเย็นก็อีกหนึ่งพิเลตเป็นพิเลตที่สามหลังจากทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติธรรมอีกเป็นพิเลตที่สี่วันหนึ่งมีสี่พิเลตหรือสี่คาบหรือสี่ช่วงอาจารย์ถามพวกที่เคยปฏิบฏัติธรรมมานานๆ พอนั่งปฏิบัติเนี่ยสามิเลียสี่พิเลี ย, ยต่อวันนะถามว่ามีพิเลียไหนบ้างที่นั่งแล้วไม่หลับหลับตลอดนั่นคือการปฏิบัติทําตอนสมัยแต่ก่อนนั่งกี่ทีหลับทุกทีแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราหลับเราไม่รู้ตัวว่าความง่วงเข้ามาครอบครองจิตใจที่เป็นอกัสรเข้ามาครอบครองจิตใจเราเพราะตอนนั้นเราไมา่ได้ฝึกความรู้สึกตัวให้ชัดเจนแบบที่นี่ดังนั้นหลังจากที่อาจารย์มาฝึกพริกมือพลิกฝ่ามือพลิกไปพลิกมา x จากการที่เรารู้สึกเตือนทีลนิตเทเลนิตเนี่ยมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นจึงทําให้พวกเราหลายคนพอมานั่งในวันนี้พอจะง่วงนอนปับ๊บทุกคนมองเห็นความง่วงนอนใช่ไหมแต่เราไม่ได้หลับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่หลับไปแล้วใช่ไหมนี่คือข้อกระแตกต่างที่เราได้มาปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนทําให้เราเริ่มใช้สัมปัสชัญญะชัดเจนขึ้นแล้วเราก็สงสัยเอ้ทำไมมันง่วงนอนจังเลยอะ่ะง่วงนอนแล้วเราก็เห็นแต่เราไม่หลับ แล้วเราก็นั่งสู้อยู่กับมันน่ะนั่งนั่งยกอยู่เองนะแต่มันก็ง่วงงวงหารู้ไหมว่าเนี่ยสติมันเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราเก่งด้วยเก่งตรงที่เราไม่หลับแต่เมื่อก่อนนี้เรหลับมาตลอดปฏิบัติมาสี่พีเลียดหลับตลอดสีลพีเลียดมันตื่นขึ้นมานิดเดียวอะ่ะแล้วเราก็ ไอ้ตอนที่หลับไปแล้วเราก็ฝันไปแล้วเราก็เอาไอ้สิ่งที่เราฝันนี่ยมาเล่าให้เพื่อนฟังโอ้โหฉันไปเจอนั่นฉันไปเจอนี่ฉันปฏิบัติทําได้ดีมากเลยอารมณ์ดีมากเลยแต่ถ้าวันไหนเราปฏิบัติทําแล้วความคิดฟุ้งซ่านลุ่งเข้ามาเต็มสมองเต็มไปหมดเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตอนนั้นนะ่ะเราเจอครูที่ดีทํานองเดียวกันเนะี่ยพอเรามาปฏิบัติแบบหลงพระเทียนเนะี่ยใช่ไหมเราเริ่มมองชัดเจนขึ้นความรู้สึกตัวชัดเจนขึ้นตอนนี้นะเรามองเห็นตั้งแต่ความง่วงเริ่มต้นขึ้นมา จะหลับตาก็ยังไม่หลับนะเราสู้กับมันอยู่นะแล้วเราก็ยกมืออยู่เงี้ยเพราะไอ้ตัวยกมือนี่มันตัวเป็นตัวปลุกเราชัออกไหมขณะที่เรายกมืออยู่มันปลุกเราไม่ให้หลับแต่ถ้าเรานั่งนั่งนั่งนั่งอย่างเดิมนี่ยหลับไปตั้งนานแล้วแต่คราวนี้เรายกมืออยู่มันปลุกเราอยู่เราก็ไม่หลับแล้วเราก็มองเห็นอาการที่มันง่วงเริ่มต้นเข้ามากําลังดําเนินอยู่แล้วมันก็สะดุดลงไปบางทีรู้เลยนะว่าเรากําลังหลับแล้วก็หัวพะงงกลงไปใครเจอไหม เนี่เก่งนล้เนี่ยเรารู้สึกตัวเลยเมื่อก่อนเราไม่รู้สึกะเราหลับไปเลยแต่เดือนนี้เราเริ่มรู้สึกความรู้สึกเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเราได้ต่อสู้กับมันเราถือว่าเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เพราะตอนนี้เราเริ่มมองเห็นแล้วในตั ว, ต, วตัวอกุระสนเข้ามาครอบความจิตใจเราตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดําเนินอยู่จนกระทั่งเราแพ้เห็นตอนเราแพ้เลยคือหลับไปเลยใช่ไหมเราเห็นมันบ่อยๆจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ความง่วงมันสลัดรวดหายไปแล้วเราก็ตื่น และหลังจากนี้เราก็ทําได้อย่างสดชื่นและเราก็จะมีความรู้สึกเพลิดเพลินกับการยกมือทำเป็นชั่วโมงก็ยังเพลิดเพลินอยู่เข้าใจไมเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คืออาการที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราเริ่มมีความรู้สึกตัวชัดเจนขึ้นคือตัวสัมปชัญญะที่เราฝึกกันมาตามเนวที่หลวงพ่อเทียนได้สอนพอเริ่มเห็นชัดเจนนี่เนี่ยตัวง่วงมันเป็นอย่างนี้นะเราจะสลัดตัวง่วงได้อย่างไรมันเป็นเทคนิคของแต่ละคน ไม่มีกติกาจะตีลังกาก็ได้จะยกมือสะบัดแรงๆใจยังไงก็ได้บางคนบอกว่าฟันมันแรงๆฟันมือแรงๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคของใครของมันจะตบหน้าตัวเองก็ได้อาจารย์ก็ตบหน้าตัวเองบ่อยๆหรือบางทีอาจารย์ชอบนั่งไอ้ตรงที่มันมินมินอย่างเงี้ยพอทำท่าใจงงขึ้นมาแป๊าเดียวมันตกใจแล้วมันก็จะจะจ ะ, จะหัวทิ่มลงมาถ้านั่งมินมินอย่างเงี้นะมันจะเกิดอาการระวังตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขไม่ค่อยจะหลับเท่าไหร่หรอกถ้าท่านนั่งด้วยจิตที่ระวังอย่างนี้ ในนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคของใครของมันเราเริ่มมองเห็นชัดถึงตัวอกุศลตัวที่หนึ่งที่มันเข้ามาไอตัวง่วงเข้ามาแล้วเราก็จัดการกับมันได้ถ้าเราไม่เห็นเราจัดการกับมันไม่ได้นะอันนี้คือปัญญาที่มันเกิดขึ้นเราจะเลือกอารมณ์ของเราว่าเราจะเอาอารมณ์ของเราจมอยู่กับความง่วงซึ่งเป็นอกุศลหรือว่าจะเลือกตัวใหม่ที่เป็นกุศลก็คือสลัดความง่วงออกไปโดยเทคนิควิธีอะไรก็ได้ไม่มีกติกาเล่นมวยวาดกับมันเลยดีไหม นี่เคือเทคนิคพี่ที่เราทําได้อันนี้สองพอทําไปทาําไมตัวทุงซ่าในความคิดมันชอบเข้ามาเดี๋ยวความคิดเรื่องนี้ยังไม่ทันจะจบเลยเรื่องใหม่ก็เข้ามาเรื่องนู้นยังไม่ทันจบเรื่องนู้นก็เข้ามาอีกแล้วบางทียิ่งบางทีไอตอนจะนอนนี่มันมันอาการอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นขณะที่กําลังทําทําอยู่นะความคิดไม่เคยเกิดแต่พอเราเพิ่นกับการยกมือพอเราหยุดยกมือขึ้นมาเมื่อไหร่พอจะนอนขึ้นมาปั๊บโอ้ยเดี๋ยวเริ่งเรื่องนู้นก็มาเดี๋ยวเรื่องนี้ก็มา บางทีเรื่องตั้งแต่ยังเด็กๆเกนะี่ยเคยไปมีอะไรกับใครที่ไหนเคยทะเลาะกับอะไรกับใครที่ไหนมันกลับเข้ามาหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราเอาชนะความง่วงนอนได้ตัวพวกนี้มันชอบเข้ามาใช่ไหมแต่สมัยเมื่อก่อนเราทํายังไงกับมันเนะี่ยเรามักจะถ้าเรารู้มีความรู้สึกตัวนะั้นเราจะมองเห็นการต่อต้านการต่อสู้ภายในจิตภายในใจของเราเอ้ยฉันไม่ชอบเลยไอย้เรื่องอย่างนี้ ให้ร hey, ีบกดไปพยายามเราพยายามหาอารมณ์ใหม่มาข่มมันฉันเกลียจริงๆเลยเอารมณ์อย่างนี้ม่เลกแล้วมาอีกแล้วฉันซึมมันจะทํำยังไงดีเนี่ยโมโหจริงๆเลยแข้งใจตัวเองจริงๆเลยหารู้ไม่ว่าอาการที่เราเกิดความอึดอัดขัดเคืองแข้งใจตัวเองเนี่ยมันเป็นอกุศลธรรมอีกอันนึ่งนะทําให้เกิดความอึดอัดขัดเคืองเกิดความพยาบาทเกิดความไม่พอใจกลายเป็นโทสะขึ้นมากลายเป็นอกุศลอีกตัวหนึ่ง S <S <an> นนะมันสะสมเข้ามาเยอะๆเลยเหตุนั้นการที่เราฝึกบ่อยๆให้มีความรู้สึกตัวชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนกระทั่งมองเห็นตัวนี้แล้วเราอาจารย์ก็เลยใช้คําว่าอาซัมโมหะสัมปัชชะญะก็คืออย่าไปหลงในอารมณ์อยู่นานๆแล้วก็เลือกไอ้ตัวโกจร ะ, ะสัมปัชชะญะคือเลือกอารมณ์ว่าจะให้จิตของเราแช่อยู่กับตัวอกุศลหรือว่าจะเลือกอารมณ์ใหม่พเพราะฉะนั้นวิธีการที่เมื่อเราเจอตัวอกุศลแล้วให้ใช้โมยวัดสู้กับมัน อ ย, อย่าไปทําเมตากับมันนะโอ้โหเจอตัวความสับสนรุ่งฟุง้งซ่านนำขันใจปั๊ไปเมตากับมันนั่งดูมันแล้วก็ไปคิดใส่กับมันไปเถียงกับมันไม่มีทางชนะตอบใดก็ตามที่เราไปเถียงกับความคิดฟุง้งซ่านไปเถียงกับมันไปคุยกับมันปับ๊บเราก็จะคิดต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือเราหลงเข้าไปในความคิดเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้สึกตัวชัดเจนจึงทําให้เรามองเห็นความคิดของเราได้ชัดเจน วิธีแก้ครับก็คือกับพยายามเอาความรู้สึกมาชัดๆที่ตรงป่ามือเรานี่คืองานของเราอาจารย์อยากจะถามว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังคิดที่เป็นอดีตก็ดีหรือสิ่งที่เรากําลังคิดที่มันเป็นอนาคตก็ดีมันเป็นของจริงและเป็นของปลอมเป็นของปลอมมันไม่ได้เกิดขึ้นซะหน่อยแต่เราไปสร้างมันขึ้นมามันเป็นจินตนาการที่เราไปสร้างมันขึ้นมาเป็นโลกแห่งความฝันแต่ไอ้ความจริงที่มันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยคือฝ่ามือที่มันกําลังพริกเนี่ยรู้ตัวไม่ว่าเรากําลังพลิกมืออยู่หรือแต่ไปรู้แต่เพียงความคิด แต่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังขยับมืออยู่ตัวเองเป็นหุ่นยนต์ไปซะแล้วอย่ามาขยับไปขยับมาแต่ไม่รู้แต่ไปรู้ที่กับความคิดตรงนั้นคือไปเล่นอยู่กับความคิดตรงนั้นเพราะนั้นดึงสติกลับมาหาปัจจุบันเท่า น, นั้นเองนั้วนี่คือสิ่งที่เราไปเจอจะมาสองอย่างแหละให้ใช้ตัวสัมปชัญญะเป็นตัวแก้ตัวสัมปชัญญะคือตัวปัญญา รู้ว่าขณะดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไอ้ที่ไปคิดพุ่งชั่นเมื่อกี้เนี่ยไปทะเลาะ ก, กับความคิดของตัวเองเมื่อกี้เนี่ยมีประโยชน์หรือไม่ไมีประโยชน์มีความเหมาะสมไหมที่เราจะไปต่อยต่อรองกับเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นดึงสติกับมาหาปัจจุบันตรงนี้นี่คือเอตเอาสัมปชัญญะมาใช้ในชีวิตจริงนะพอมาเจอสองอย่างแล้วมาเจออีกทีไอ้ความอึดอัดขัดเคืองขึ้นมาเมื่อกี้นี้เจอมานั่งนึกถึงหน้าไอ้คนในอดีตอไอ้คนที่มันเคยด่าเราเมื่อ สาิปีที่แล้วมาเจอหน้านอีกทีคราวนี้ยังแค้นอยู่เลยยังไม่หายนไความอึดอัดขัดเครืองเพรนั่นมันมันมันมันผูกมานานและเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นความพยาบาทมันเกิดขึ้นเห็นไหมไอ้ตัวอกุศลเหล่านี้มันมันมาโดยโดยโดยไม่ได้นัดหมายนะตัวไหนเห็นเราช่องว่างเราพร้อมที่จะรับมันมาเลยนะมันไม่ได้เรียงตามลําดับมาว่าจะต้องมีการฉันทะเข้ามาก่อนหรือพยาพาทะเข้ามาก่อนมันไม่ได้เรียงตามลําดับมาเรียกว่าไอ จิตเราเปิดช่องว่างรับขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บไอ้ตัวพยาบาทก็เข้ามาบ้างไอ้ตัวกามฉันทะคือความมีความนึกถึงไอ้คนที่เรารักคนที่เราชอบเข้ามาบ้างหรือคิดถึงความสบายคิดถึงอยากที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีๆอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างกับพระราชาอะไรอย่างนี้เข้ามาบ้างมันจะแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะอาจารย์มองเห็นคนหลายคนซึ่งเป็นเทวดาในร่างมนุษย์บางคนหลายคนก็เป็นชาวบ้าน อนนี้เรามานึกถึงคนที่ทเป็นเทวดาก่อนพอมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เจออากาศร้อนเจอห้องน้ามีอยู่ห้องเดียวคนสามสิบคนรู้สึกอึดอัดขัดคืนเห็นไหมเนี่ยเทวดารู้สึกอึดอัดเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเทวดาก็นึกถึงบ้านคิดถึงความสบายที่บ้านนะหเนี่ยเป็นการฉันทะโดยที่เราไม่รู้ตัว นึกออกไหมคิดถึงความสบายที่เราเคยอยู่คิดถึงความสบายที่เราเคยความสะดวกที่เราเคยเคยใช้อยู่ในชีวิตประจําวันขณะที่ปฏิบัติทำไปก็คิดถึงสภาวะอย่างเนี้เนี่ยความการที่เราจิตไประลึกนึกถึงความสะดวกสบายความเป็นอยู่ดีกินดีที่เราเคยมีอยู่อันนี้เป็นการสันทะไม่ใช่หมายถึงเรื่องแทกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็เป็นการฉันทะเหมือนกันจิตไปผูกอยู่ตรงนั้นลืมไปว่าจิตปัจจุบันของเราคือ งานที่เรากำลังทำตรงนี้คือยกมือสร้างความรู้สึกตัวให้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทำบ่อยๆทำทีๆ ท, ทำให้มากอยู่กับมันอยู่กับความรู้สึกให้มากะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลเข้ามาครอบความจิตใจเราเห็นไมฮะรู้จักแล้วจะปล่อยให้จิตใจของเราจมปลักอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่อย่างนี้อีกนานแค่ไหน ตราบใดก็ตามที่บรรดานิวร์เหล่านี้ยังคุกคุนอยู่ในจิตในใจของเราเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่สัมมาสมาธิได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคและปิดบังเหมือนเงามืดที่ปิดบังจิตใจของเราไม่ให้สาว่างสวยัยการปฏิบัติธรรมไม่มีทางก้าวหน้ายิ่งทำนานเท่าไหร่แลวเราสะสมความอึดอัดขัดเคืองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แล้วเราก็ไปกดแล้วก็ไปข่มเอาไว้แล้วก็ไปพยายามถีงกับตัวเราเองอยู่อย่างเนี้ยหลังจากที่เราหยุดปฏิบัติเสร็จปับ๊บเรากลับจะมีความอึดอัดขัดเคืองมากกว่าเดิมเพราะขณะปฏิบัติ ท, ทํานั้นเป็นการกดข่มเอาไว้ไม่เจอสภาวะจริงๆใครพูดอะไรขัดใจขึ้นมาปั๊บก็พุ่กดขึ้นมาอีกเลยเพราะความรู้สึกตัวมันน้อยเกินไปแต่สิ่งที่เรากําลังมาฝึกอยู่ในขณะ น, นี้ทุกวันนี้เราเห็นชัดนะฮะเมื่อก่อนเราไม่เห็นว่าเรากําลังโกรธ แต่นี้พอเราอาการโกรธขึ้นมามันเหมือนกับที่เรามองเห็นอาการง่วงนอนเรามองเห็นว่าจิตใจของเราเข้าไปคุกคุนกับมันชัดเจนอยู่กับมันชัดเจนและใจกําลังโกรธเราก็รู้ว่ากําลังโกรธแต่พอเรามีสติขึ้นมาเรามีความรู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บเราสามารถที่จะควบคุมความโกรธเอาไว้อยู่ในมือของเราได้โดยที่เราไม่แสดงออกหรือเราแสดงออกเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของเราได้ เรารู้จักโคจรัสัมปัชยะคือเลือกอารมณ์ที่ดีที่เหมาะสมที่ดีกว่านี้อาจารย์อยากจะเปรียบเสมือนจิตใจของเราเหมือนกับสัมฤทบรรดาอากุศลทำทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนน้ําน้ําที่ออกมาจากโถส้วมมันเม็นเหม็นอย่างนั้นเน่ยสัมฤทธพร้อมที่จะไปซับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาตราบใดก็ตามที่เรายังมีนิวรณ์ห้าเหล่านี้อยู่ ว่าเสนามานเหล่านี้อยู่ยังครุกกวุนอยู่ในจิตใจของเราสำรีที่เป็นหัวใจของเราเหม็นเหมือนกันเปรียบเลยตราดแตก็ตามที่เราไม่สามารถสะบัดมันหลุดออกไปหรือไม่สามารถที่จะทาความสะอาดสัำรีก้อนนี้ก็ไม่สามารถที่จะอาสำรีก้อนนี้ให้สดใสนั่นคือไม่สามารถที่จะเข้าสู่สมาสมาธิได้เข้าใจเรี่ยงเฮ้ะนั้นวิธีการเอาชนะตัวนิวรณ์ห้าใช้อะไรข้อที่หนึ่งอาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยความเพียร อาตปีปนี่แหละเอาชนะกับมันตีลังกาสู้กับมันใช้มวยวาดกับมันทำางังไงก็ได้ให้สิ่งเหล่านี้สลัดหลุดออกไปจากหัวใจของเราสบัดสามลีก้อนเนี่ยสบัดสบัดเสร็จแล้วไปล้างน้ําด้วยใส่น้าหอมสดีให้มันหอมๆเห็นไหมต้องเอาไอ้สบัดต้องเอาไปล้างมันทำความสะอาดมันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราทําอย่างเนี้เป็นการล้างใจของเราทําความสะอาดใจิตใจของเราให้มีสติให้มากกว่านี้อีกไงที่เราพลาดไปเพราะเราไม่รู้ตัว เพราะเราไม่รู้ตัวเราเลยถูกความง่วงครอบองจิตใจของเราแต่พอเรารู้ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บความง่วงจะถูกสลัดออกไปจากจิตใจของเราเพราะเหนั้นอาตาปีตัวที่หนึ่งตัวที่สองความรู้สึกตัวทำมากๆนี่ไงทบ่อยๆทามากๆแล้วสติมันจะคืนขึ้นมาเพราะนั้นสามตัวเหล่านี้จึงเป็นตัวที่ใช้ประหารนิวร์ พระเจ้าจึงพูดอยู่ในสัมมาส ม, มาธิว่าให้มีในใ น, ในการที่เราจะเข้าสู่สติปัฏฐานสีว่าจะต้องมีสามตัวนี้อันที่หนึ่งมีอาตาปีสติมาและก็สัมปชา น, นุนะอาจารย์อาจาอา จ, าจะพูดสลับกันต้องอาตาปีสัมปชานุและก็สติ ม, มาอาจารย์ขอโทษที่พูดสลับมีอาวุธสามอย่างนี้อาวุธสามอย่างนี้จึงเป็นตัวที่ใช้ในการฆ่านิวรณ์เมื่อฆ่านิวรณ์ได้แล้วเราจะมองเห็นความคิดของเราอีกอันหนึ่ง ให้สังเกตดูนะก่อนที่นิวรจะหมดไปความคิดของเราเปรียบเสมือนสําลีไปชุบของเหม็นเมนความคิดสมัยก่อนเป็นความคิดเหม็นเหมความคิดที่เต็มไปด้วยพยาบาทวิตกคือเต็มไปด้วยความเครียดอค่าดมีความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองความคิดที่เต็มไปด้วยการคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อยากจะไปอยู่ใกล้คนนั้นอยากจะไปอยู่ใกล้คนนี้บางครั้งเราก็ไปหาเรื่องกับคนนั้นเราก็ไปหาเรื่องคนนี้อยากจะมีชีวิตที่เป็นสบายๆเป็นความคิดที่เหม็นเหม เพราะฉะนั้นต้องใช้อาวุธสามอย่างนี้เปลี่ยนความคิดพอความคิดตรงนี้หลุดออกไปมันจะเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาพยาบาทวิตกหายไปการวิตกหายไปเหลือแต่กุศลวิตกเพราะฉะนั้นองคชาญอันที่หนึ่งจึงมีวิตกวิจารปิติสุขและสมาธิแต่แตราบใดก็ตามที่ความคิดของเรายัางเป็นความคิดที่เหม็นเหมนอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้เนี่ย ยังเป็นองชันไม่ได้ทั้งๆที่เป็นวิตกวิจันเหมือนกันแต่เป็นพยาบาทวิตกเป็นการวิตกมองออกไหมวิตกเหมือนกันคือความคิดเหมือนกันคือความคิดชั่วๆกับความคิดดีๆตามแต่ข้ตามที่ยังมีความคิดชั่วๆอยู่ในสมองเราเข้าฌานไม่ได้เข้าสู่ซัมมาสมาธิไม่ได้นี่คือองค์ชันที่หนึ่งถามว่าพอจิตเข้าเราอยู่ในองค์ชันที่หนึ่งหรือเป็นสัมาสมาธิในระดับที่หนึ่งนมีความคิดอยู่นะเรายังมีความคิดอยู่แต่บางครั้ง อาจารย์สังเกตดูมีมีคน อ, อุบาสกอยู่คนหนึ่งเข้าไปนั่งสวดมนต์เข้าไปนั่งปฏิบัติธรรมความคิดดีๆมันป๊อปอขึ้นมาในจิตใจเขาดีใจขึ้นมาเขาเขียนใส่นต o t ้ s มาบอกคนนั้นบอกคนนี้เนี่ยคืออาการที่จิตมันเป็นความคิดมันเกิดขึ้นมาเพราะนั้นขณะที่ความคิดถามว่า ด, ดีไหมดีมันก็อยู่ในองค์ชันนี่ไงความคิดก็คือตัววิตกนะไอตัววิจารณ์ก็คือเราคิดเรื่องนั้นย้ำบ่อยๆ อ, อธิบายมันบ่อยๆเพราะนั้นะนี่คือสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้น แต่มันไม่ได้มีอยู่แค่สองอย่างปิติมันก็มีสุขมันก็มีแล้วก็สมาธิอันเกิดจากการที่ได้อยู่คนเดียวมันก็มีนี่คือลักษณะของเขาแต่เมื่อในระดับสูงขึ้นมาในระดับที่สองไอ้ตัวความไอ้ความคิดเนี่ยมันสงบระ ง, งับลงมันจึงมองเห็นปิติชัดเจนขึ้นมองเห็นสุขชัดเจนขึ้นมองเห็นสมาธิชัดเจนขึ้นเมื่อเราวางความคิดได้จึงมองเห็นตัวปิติชัดเจนขึ้นเป็นฌานที่สอง แตเมื่อฌานที่สามพิติมันสงบระงับลงเห็นนะมันก็เหลือความสุขชัดเจนขึ้นทั้งๆ้ที่ของเดิมมันมีอยู่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตราบใดก็ตามที่ไอ้ตัวนิวรมันยังมีอยู่ในจิตใจของเราตัวบัรรดไอ้ความคิดเหม็นๆไอ้ตัวความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายที่มันอยู่ในใจเราหรือความว่วงมันอยู่ในใจเราเราไม่สามารถที่จะสัมผัสสัมมาสมาธิได้เลยทั้งทั้งที่สัมมาสมาธินี่เกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังยกมืออยู่ขณะที่เรากําลังคุยอยู่ ขณะที่เรากาลังทํางานอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นข้างนอกยกตัวอย่างเช่นเสียงระเบิดดังปุ้งมา่อเช้านี้เราขณะที่เรากำลังปฏิบัติธรรมได้ยินเสียงนะเขาฟาดไอ้สายอย่างใส่ตรง น, นั้นเนี่ะบางคนตกใจแต่บางคนเฉยเฉนั่นคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นข้างนอกสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมากระแทกให้เราเกิดความหวาไหวหวั่นบไหวไม่สามารถที่มาทําให้จิตใจของเราเกิดความอึด อ, อัดขัดเคืองขึ้นมาได้นั่นคือลักษณะของสัมมาสมาธิ ที่มันตัดออกจากพวกบรรดาณิวรณ์เหล่านั้นจึงเหล่านั้นจึงไม่สามารถที่จะมารบ ก, กวนเราได้น่ะแล้วไม่ต้องเอาไปถึงแนบแ น, น่เพราะนั้นนี่คือลักษณะของการที่เราปฏิบัติทำแยกออกเท่านั้นเองเข้าเราเข้าสู่สมาสมาธิได้ซึ่งอาจารย์ก็จะไม่แตะลึกไปกว่านี้เพราะแตะลึกมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะเราแค่เอาให้เป็นสมาสมาธิในระดับต้นๆแค่ชั้นที่หนึ่งมีวิตกมีวิจารณ์ ฌานที่สองวิตกวิจาร์สงบไปแค่นี้แล้วเราก็เอาจิตของเรายกเข้ามาสู่วิปัสนาญาณมาดูรูปดูนามตรงนี้จะมีประโยชน์กว่าที่จะเอาจิตดิ่งเข้าไปในความลึกตรงนั้นนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงเนี้ยเป้าหมายของเราเข้าสู่วิปัสนาญาณไม่ได้ต้องการเข้าสู่การดิ่งลึกในทางฌานอย่างนั้นทำไมถึงอาจารย์พูดถึงวิปัสนาญาณในขณะที่เรากาลังพิจารณา รูปนามอยู่อย่างเงี้ยให้ทิ้งรูปไปหานามเพราะไอ้ตัวรูปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงช้าแต่ไอ้ตัวนามเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ดับไปเร็วดูแค่ฝ่ามือเราพลิกสิตรงฝ่ามือพลิกตรงเนี้ยความรู้สึกตรงนี้มันเกิดแปด๊บเดียวแล้วมันหายไปพอเรายกขึ้นมาไอ้ความรู้สึกที่ฝ่ามือตรงเราพลิกตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมดูทันไหมล่ะมันเกิดขึ้นตรงนี้กับตรงนี้มันคนละอันแสดงว่าไอ้ตรงเก่ามันเกิดไปแล้วดับไปแล้ว เพราะนั้นสังเกตดูที่นามเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับบ่อยเพราะนั้นให้มีความสนุกกับการดูการเกิดดับของรูปของนามตรงนี้เห็นไหมให้มาดูการเกิดดับของนามตรงนี้กับความรู้สึกตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเคยชินกับการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจึงเอาตัววิ อ, อ, อิดูไตรักตรงเนี้มาเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติธรรม ก็กลับมาหาโคจระสัมปชัญญะแทนที่จะเอาจิตของเราไปชุบน้ําเมื่อกี้เนี่ยเอาจิตของเรามาพิจารณาตัวนี้แทนดูการเกิดดับดูอนิจจังทุกขังอนัตตาถามว่าอันไหนมันเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลแต่ชุบน้ําเยาว์เมื่อกี้เนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเอาไหมาไม่เอาเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาชุบน้ําเยาวเมื่อกี้นี่ยเราก็มาชุบไอ้ตรงน้ําหอมที่เป็นวิปัสสนาญาณตรงเนี้ย อันนี้เป็นกุศลนี่คือการรู้จักเลือกโคจ ร, ระสัมปชัญญะเอามาใช้ในชีวิตประจํำวันตรงนี้ม่อะไรก็ตามเกิดความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกหลังตอนนี้คุณครูมาสอนถามว่าไอ้ความคิดฟุ้งซ่านตรงเนี้เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงสลาดมันออกไปเพราะมันไม่ใช่ของจริงจะไปจมอยู่กับมันทําไมดึงออกมากลับมาหาตัวของหลัปัจจุบันมาดูการเปลี่ยนแปลงของเราอยู่ตรงนี้รูปนามหายไปรูปนามหายไปเห็นไหมเส้นตรงนี้มันมีการเกิดมีการดับอยู่ตลอดเวลาทีนี้ หลังจากที่เราจัดทาตรงนี้เสร็จแล้วก็ออกมาใช้ในชีวิตประจําวันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอามาพิจารณาตามความเป็นจริงอ่ะพวกเรามีอะไรอยากจะถามเราคุยกันดีกว่าเชิญแม่ตู่จิตคือคืออย่างนี้เวลาที่เราทําสมาธิมากๆนะจิตมันจะดิ่งไปในทางสมถะ <Okay. S 1> นะอาการที่แม่ตู้เห็นตรงนี้เป็นอาการของสมถ <Okay. S 1> ะทีนี้เมื่อ จิตมันจะแสดงอะไรขึ้นมาให้ดูสัจธรรมดูเห็นสัจธรรมเห็นเห็นแล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องมาจําโอ้ฉันได้ไปเจอของดีแล้วไม่ใช่มันไม่มีอะไรไ ม, <laughs> ไม่มีอะไรเพรา ะ, ะนั้นมันมีลักษณะเหมือนกับไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่ฝ่ามือของแม่ตู้เนี่แหละพอมันเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจอะไรกับมันเอาเอาและแม่ตู้แม่ตู้มันเป็นอาการเดียวกันเป็นเรื่องของสมถะแม่ตู้ตสิ่งที่สิ่งสิ่งที่สําคัญอย่างนี้นะแม่ตู้แม่ตู้บอกว่าไม่ง่วงเมื่อคืนนี้ได้หลับหรือเปล่า ก็ได้นอนก็เป็นปกติแล้วตอนที่แสดงว่านอนแล้วก็ตอนตอนจะนอนก็น่วงแล้วไม่รู้ตัวว่าน่วงแสดงว่าสติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงยังมีอาการอย่างนี้ต้องพัฒนาต่อแมตูตยกมือต่อน<ล> ะ, <c oughs> ะเอาคนอื่นม <c oughs> จบแล้วอารมณ์นี้ <c oughs> อย่าอย่าไปจมดิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นแมตูต <c oughs> อาจารย์ที่หลวงพ่อพูดว่าอะสามโมหะสัมป่าชัญญะคือเราไปดิ่งแล้วเราติดใจในอารมณ์นั้นมากเกินไปอาจารย์ไม่พองมานานแล้วจ้ะ <c oughs> แล ต, ตั้งแต่มาเจอกับหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าทางนี้มันดีอาจารย์ก็เลยเลิกพองแต่แต่เวลานอนก็มาดูอยู่ดูลมหายใจทีนี้มันมีอยู่อย่างนี้นะตอนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ใช้พองหนอยุบหนอตอนนอนนั้นอนไม่หลับเพราะอาการเพราะอาการที่เราไปท่องพองหนอยุบหนอมันก็เลยพองหนอยุบหนอจนไม่ต้องนอนทั้งคืนเพราะจิตมันไปติดอยู่กับพองหนอยุบหน อ, ตอนนแต่ตอนนี้เลยมายุบไม่พองและดูมันนีเฉย ดูลมดูลมตอนหลับดูเฉพาะตอนหลับแต่ในขณะที่กำลังยกมือเนี่ยเราก็เอาจิตมาไว้ที่มือแต่บางครั้งมันเห็นนะเห็นลมชัดเราก็มาดูลมด้วยทีนี้ลักษณะในการในการขณะที่เราปฏิบัติปรับเนี่ยมันจะมีอารมณ์เข้ามากระแทกจิตเราเยอะแยะใช่ไหมเราเอาสติไปไว้กับอารมณ์ที่มันกระแทกหนักๆและเห็นชัดชัดที่สุด บางครั้งเรายกมือบางทีจิตมันไปเห็นลมหายใจแล้วก็ไปดูลมหายใจบางครั้งเรากำลังทำอะไรอยู่จิตจิตมันไปอยู่ที่การพลิบตาแล้วก็ไปดูที่การพลิบตาเพราะนั้นการยกมือตรงนี้มันเป็นแค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นเองเป็นประตูด่านแรกจะยไปติดอยู่กับมันเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือให้มีความรู้สึกตัวอยู่ทุกทุกขณะเดินก็ให้รู้สึกตัวนั่งก็ให้รู้สึกตัวมันตรงไปตามในในใ น, ในสติปัฏฐานสี่เลยไม่มีพลาดเลย ทุกๆอริยบทขนาดจับอะไรหรือกําลังเคี้ยวอะไรปั๊บให้มันรู้ไปอย่างนั้นแล้วมันรู้อย่างนั้นจริงๆแค่เราปฏิบัติตรงนี้มันพัฒนาอินทรีย์ไปพร้อมกันหมดแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปรู้หรอกว่าอินทรีย์ตัวนั้นรายละเอียดปีกย่อยมันคืออะไรเพราะสิ่งที่เรากําลังทํำนี่ปลุกตัวให้ตื่นให้มีสติสัมปชัญญะปั๊บเนี่ยอินทรีย์มันเกิดแล้ว ถ, ถ้าถ้าถ้าถ้าต่อไปมันก็จะกลายปเป็นเรื่องเป็นการท่องจําเข้าไหม <laughs> เป็นการท่องจําซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติ อาจารย์ก็ไม่จําด้วยอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้จําเคยเคยอ่านเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้จําเพราะวในในในสิ่งที่หลายหลายคนอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างการที่เราจะอบารุทธรรมหรือจิตหลุดออกจากกิเลสได้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่ห้าโอกาสใช่ไหมซึ่งห้าโอกาสเหล่านั้นอ่ะมันไม่ได้จําเป็นที่เราจะต้องไปท่องจําอะไรเลยแล้วคนที่สามารถที่จะบรรลุทธรรมตรงนั้นได้ปั๊บสามารถที่จะลุก เพราะเลยถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงจุดๆนั้นนั่นคือมีความพร้อมความพร้อมโดยที่มีไอตัวที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อินทรีย์ทั้งหมด28แต่อินทรีย์5คือเริ่มที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆคือเริ่มตั้งแต่มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาตรงนี้แก่งกล้าขึ้นมาเมื่อไหร่ทำอย่างปฏิบัติมาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะหลุดเพราะสามารถจาที่จะบรรลุธรรมได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปเรียนรู้ปริยัติอะไรเลยทีนี้ไอตรงจุด ตรงนั้นน่ะเมื่อจิตเราแก่กล้าหรือมีมีอินทรีย์หรือมีความพร้อมจิตมีความพร้อมมีร่างกายมีความพร้อมแล้วอันนี้หนึ่งเมื่อมีคนมาพูดตรงจุดที่เรากำลังคาอยู่จุดที่เรากำลังคาอยู่ตรงนี้นะแค่พูดตรงประโยคนั้นโป๊เดียวสามารถที่จะบรรลุทําได้เลยยกตัวอย่างเช่นพาหฮิยะต่อแต่นี้ไป เมื่อเธอได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อเธอได้เห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อเธอได้กินสักแต่ว่าได้กินต่อไปนี้พาหิยะก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีแค่คาพูดแค่นี้มันโป๊ะเลยมันเป็นสิ่งที่พาหิยะก็ติดมาอยู่ตั้งนานพอเข้าใจถึงแทงตลอดเข้าไปในใจิตในใจปั๊บเขาสามารถตักกิเลสได้หมดเลยกลายเป็นพาาระอรหันต์ด้วยการฝัง นี่คือข้อที่หนึ่งสำหรับคนที่บรรลุธรรมทีนี้องค์องค์ประกอบที่เขาได้ยินปั๊บแล้วเขาสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นเพราะว่าเขาตรีตรองหรือทําความเข้าใจเขาเรียกอะไราสามารถโยนิส ม, มานิสการเข้าไปถึงจิตที่เขาติดอยู่ลึกๆซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายถึงอีกสี่อย่างที่เหลืออาจจะตรงกับพวกเราคนใดคนหนึ่งก็ได้แลสะสภาวะอย่างเนี้ยอาจจะเราเคยเจอมาแล้วก็ได้ เพราะเข้าใจกระจ่างแจ้งจากคำพูดที่เขาติดอยู่แค่นั้นวิธีที่สองที่เราจะสามารถบรรลุธรรมได้ก็คือว่าเราเป็นผู้สอนเสียเองแต่สอนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเดิมที่เราอ่านหนังสือมาเราอ่านไม่เข้าใจนะแต่สังเกตดูคนที่เคยเป็นครูจะมีสภาพอย่างนี้ไม่ว่าเราจะสอนวิชาอะไรก็ตามโยมก็เคยเป็นครูมาคงเคยจะเจอสภาวะอย่างนี้ ไม่ว่าเราจะสอนวิชาอะไรก็ตามขณะที่เราพูดบ่อยๆอธิบายบ่อยๆเราเข้าใจกระจ่างชัดเจนขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่มันเป็นคำภีร์ไรำอักษรหรือข้อความที่ซ่อนเงื่อนเอาไว้อยู่ในตำราขณะที่เราพูดถึงบ่อยๆสอนบ่อยๆจนเกิดความชํานาญเราเข้าใจได้อย่างกระจ่างแจ้งพอใครเข้ามาอธิบายมาถามเราถึงตรงจุดนี้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่คิดมาก่อนว่าจะอธิบายได้แล้วกับพวกอธิบายขึ้นมาได้ นี่คือลักษณะของธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าบาังเอิญสิ่งที่เขามาถามตรงนั้นมันตรงกับใจที่เราติดอยู่พอดีแล้วบังเอิญในขณะที่เราสอนไปเราก็ทําการตรึกตองไปเข้าโพถึงธรรมล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยการเป็นผู้สอนเชื่อจไหมนี่เป็นไปได้อย่างที่สามก็คือหนึ่งได้จากการฟังธรรมได้จากการเป็นผู้สอนได้เกิดได้เกิดจากการ ทำสมาอด้วยการจากการสาธยายมนสาธยายมนหลายคนคิดว่าการสาธยายมนเป็นการสวดมนต์แต่เชื่อไหมว่าไอการสวดมนต์ที่เราเอาหนังสือมาอ่านถ้าอ่านเป็นภาษาบาลีคิดว่าเรามีโอกาสสวดมนต์เป็นภาษาบาลีแล้วเราจะบรรลุทำได้ไห ม, ไมไเป็นไปไม่ได้ไเพราะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไอสิ่งที่เราสวดอยู่เรายังไม่เข้าใจเลยเข้าใจไหม การที่จะบรรลุทำได้เราจะบรรลุได้เพราะเราพิจารณาไปตามธรรมการที่เราฟังธรรมแล้วบรรลุทำได้เพราะเราพิจารณาไปตามธรรมการที่เราเป็นผู้สอนและบรรลุทำได้เป็นเพราะเราพิจารณาไปตามธรรมในคำพูดที่เราสอนเพราะนั้นในการสาธยายมนจึงควรจะเป็นการสาธยายมนแบบสวดมนต์แปหลหรืออ่านพระสูตรเป็นการทบทวนพระสูตรเพราะนั้นบางสานัก ถ้าเป็นคนศรีลังกาเขาพูดภาษาศรีลังกากับภาษาบาลีคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นาท่องเป็นภาษาศรีลังกาภาษาบาลีเขาเขา้าใจไปได้เขาตึกตรงไปได้แต่ถ้าเราเป็นคนไทยเราไปพูดภาษาแขกเป็นพ่อวป็นภาษาแขกไม่มีทางแต่ถ้าเราอ่านในบทสวดมนต์แปลสังเกต ด, ดูเมื่อเราปฏิบัติทำไปแล้วอ่านบทสวดมนต์แปลที่หลวงพ่อทําเป็นลายแทงให้กับพวกเราแล้วเรากลับมีความรู้ในทางทำกระจ่างแจง้งแจ้งมากขึ้น นี่คือสิ่งมหาจรรย์หลังจากที่เราปฏิบัติธรรมไปแล้วสวดมนเล่มนี้ไปมันช่วยให้เราปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นเลิกซึ้งขึ้นแล้วการสวดมนบังเอิญไปสวดในบทที่เราติดอยู่ที่เลสเราค้างคาอยู่ตรงจุดนั้นอยู่แล้วเราตรีจองธรรมพิจารณาไต่จองธรรมเข้าถึงเราจรึงสามารถที่จะบรรลุธรรมในโอกาสที่สามได้ด้วยการสาธยายมนอย่างที่สี่นะก็ เ, เกิดจาก อาสาธยายมนอย่างที่ 4. สีส่สม า, าสมาธินิมิตอย่างที่สี่เกิดสมาธินิมิตพวกเราเคยเคยฝันว่าไปตกนรกบ้างไหม <c oughs> เคยฝันว่าขึ้นสวนรรค์บ้างไหม <c oughs> เอาเอาอย่างนี้ฝันว่าญาติของเราที่เราลักมากๆเลยนะตายไปเคยฝันมไหยเคย <c oughs> อาการอย่างเนี้ยเคยเจอไหม ฝานว่าญาติตายไปแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเรามีความรู้สึกอย่างไรผมมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในสถานที่จริงเลยนะไอลักษณะอย่างนี้เขาเรียวกว่าเป็นสมาธินิมิตบางคนนั่งสมาธิแล้วเห็นภาพในสมาธิของเราแล้วเกิดความรู้สึกอ า, อาการามันเข้าไปถึงในแก่นในจิตในใจของเรา อ, อ, อ, อ, อาจารย์ถึงยกตัวอย่างว่าเราเคย ไปเห็นนรกไหมถ้าเราเคยไปเห็นนรกปับ๊บเราจะมองเห็นอาการว่าเป็นเพราะเราไปทําชั่วอะไรเราถึงต้องไปตกนรกเนี่ยเป็นสมาธินิมิตเมื่อเราเห็นสภานิมิต ส, ส, ส, ส, ส, สมาธินิมิตอย่างเนี้ยทำให้เราสามารถหยุดบาปได้อย่างเด็ดขาดและหยุดได้อย่างทันที มเมื่อไรก็ตามเห็นทุกเมื่อนั้นเห็นธรรมเพราะฉะนั้นการที่เรามองเห็นสภาพที่ทุกๆจากนิมิตตรงเนี้ยเราสามารถที่จะพิจารณาไต่ตองธรรมแล้วก็หยุดการทําบาปได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นกุศลทันทีอย่างเด็ดขาดนี่จึงเป็นการบรรลุธรรมที่เกิดจากสมาธินิมิต อ, อันนั้นก็เป็นแค่เพียงความฝันธรรมดาแต่แต่ว่าอาจารย์กําลังพูดตัวอย่างว่าการที่เราเห็นนิมิตอันใดอันหนึ่งแล้วทาให้เราเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้ แล้วนึกถึงข้อธรรมที่เราเนไะต่ตองทำทําให้เราหยุดความชั่วได้อย่างเด็ดขาดทําความดีได้อย่างสมบูรณ์อันนั้นเป็นจึงเป็นจุดที่ทําให้เราหลุดพ้นและอย่างสุดท้ายก็คือโยนิโสมานสิการที่เราเอาไปใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นข้อที่หนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เราจะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้โยนิโสมานสิการคือพยายามไต่ตองทำอันนั้นเข้ามาหาตัวเราถึงตรงจุดที่เรากำลังเป็นจุดอ่อนอยู่เป็นจุดบกพร่องของเราอยู่เพราะฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจตรงจุดเราเนี้คนที่เราจะบรรลุทำด้วยอาการห้าอย่างได้เนี่ยเพราะอินทรีย์มันโตอินทรีย์ที่มันโตเต็มที่ตรงนั้นเน้นถึงอินทรีย์ห้าอย่างเริ่มตั้งแต่มีศรัทธ า, าเป็นตัวที่หนึ่งถ้าศรัทธาไม่แก่กล้าไม่โตเพียงพอก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ตัวที่สองคือวิริยะคือความเพียรจิตสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นบรรดาอินทรีย์ห้าอย่างตรงนี้ จึงเป็นองค์สำคัญสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นพระอนาคามีก็จึงแบ่งพระอนาคามีห้าอย่างคนบางคนปฏิบัติทำมาจนกระทั่งเข้าถึงเอ็นซีแก่กล้ามากเลยแต่ว่าไม่เต็มที่ทั้งหมดสามารถลักิเลสอย่างต้นห้าอย่างได้ทั้งหมดเลยถึงจะได้เป็นพระอนาคามีห้าอย่างได้คืออะไรบ้างตั้งแต่ไอตัวศีลละพตาปามาตวิจิกิจฉาสักยะทิฏฐิอันนี้เป็นสามข้อแรกการราคาปฏิฆะ อีสองข้อถ้าหากว่าการราคาปาริฆะมันเบาบางลงก็เป็นพระสกะคาธามีแต่ถ้าดับสนิทได้ปั๊บก็เป็นพระอนาคามีการลดกิเลสให้อย่างได้นี้แล้วแต่มันอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าคนคนนั้นมีศรัทธาแก่กล้าแต่ว่าวิริยะยังไม่ยังไม่แข็งแรงสติยังไม่แข็งแรงสมาสมาธิยังไม่แข็งแรงปัญญายังไม่แข็งแรงก็สามารถเป็นพระอนาคามีได้ในระดับที่หนึ่ง เข้าไปอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นพระอนาคามีองค์ที่หนึ่งที่มีศรัทธาแก่กล้าแต่อินทรีย์อย่างอื่นยังอ่อนคนเหล่านี้เมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วถามว่าได้กลับมาเกิดมามาอีกไหมไม่ว่าจะกลับมาเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำกว่าหรือสูงกว่าไม่มีไม่ได้กลับมาเกิดแต่เขาจะต้องขึ้นไปพัฒนาตัวเองจนกระทั่งมีวิริยะแก่กล้าเมื่อมีวิริยะแก่กล้าก็ยังไม่บรรลุธรรมต้องให้มีสติแก่กล้า ต้องให้มีสมาธิแก่กล้าและในสุดท้ายให้มีปัญญาแก่กล้าเมื่อมีปัญญาแก่กล้าจึงจะสามารถตัดกิเลสขาดได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรียงตามลำดับอนาคามีมีห้าภูมิภูมิที่หนึ่งมีศรัทธาจริตแก่กล้ากลุ่มที่ 1, สองเป็นกลุ่มที่มีวิริยะแก่กล้ากลุ่มที่สาเป็นกลุ่มที่มีสติแก่กล้ากลุ่มที่สี่มีสมาธิแก่กล้าและกลุ่มสุดท้ายกับกลุ่มที่มีปัญญาแก่กล้าจึงแบ่งพระอนาคา ม, มีเป็นห้าภูมิ พวกเหล่านี้จะไปพัฒนาจนกระทั่งโตโครบแล้วก็บรรลุปเป็นพระาราหันในชั้นนั้นจึงใช้เวลาอยู่ในชั้นนี้นานมากนองั้นเอาเอ า, เอาแค่ห้าข้อนี้พอไม่ไม่ต้องไปเอายี่สิบแปดเลตรงนั้นมันไปจําเลิกเกินไปเอาแค่ตรงนี้นี่เพรนี่ตรงนี้อาจารย์บอกแล้วเป็นคุณสมบัติพระอนาคามีเพะยะ์นั้นถ้าเรอยากจะบรรลุธรรมเอาห้าอย่างนี้ถึงจะเป็นพระาราหันได้โยมโยมรู้ไหมว่าอาการที่เราเกิดความสงสัยตรงนี้ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล แค่อยู่ในในนิวรณ์5เท่านั้นเองที่เรามันติดอยู่ในใจแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าจิตเป็นอกุศลอยู่คือความลังเลสงสัยเป็นนิวรณ์อันหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าวางสิ่งเหล่านั้นไปซะสิ่งที่เราควรจะพัฒนาอินทรีย์ทั้งหมดไม่ต้องเอาเอาแค่ห้าอินทรีย์ที่อาจารย์เน้นอันที่หนึ่งศรัท ธ, ธาอันที่สองวิริยะสติสมาธิปัญญาแค่นี้พอสามารถตัดสุลุทำได้ อาจารย์อาจารย์คิดว่าเราเราเชา่นในเวลาถึงสามทุ่มครึ่งแล้วถึงแม่หลวงพ่อจะไม่ลงมาเราก็ควรจะพักผ่อนนะขอให้พวกเราได้ไ ด, ได้ได้กุศลจากการฟังธรรมในวันนี้ขอให้ประสบผลบุญทุกคนสามารถบรรลุธรรมโดยทั่วหน้ากาันเทินสาธ